ธรรมชาดกแผ่นที่สิบลำดับที่สิบสองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18พฤศจิกายน 2,556 มีชื่อเรื่องว่าพระราชาชาลาใจในวันนี้เป็นวันที่ 18ดเมื่อวานเป็นวันสิที่17เดเป็นวันลอยกระทงนะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันลอยกระทงวันที่17พฤษจิกายนพุทธศักราช25งพวันนี้เป็นวันที่18บแวันจันทร์ที่18พฤษจิกายนพุทธศักราช25งพนหะวันนี้เป็นวันสิ้นปี เป็นวันปีใหม่ของจันทรคติคือสุริยคติเนี่ยคือเขาจัดเป็นถ้าปีไทยก็วันที่สิบสามเมษาถ้าปีสากลก็วันที่หนึ่งมกรานะแต่ปีของพุทธศาสนาเนี่ยปีบอปีสิ้นปีเนี่ยคือวันลอยกระทงเนี่ยเป็นจันทรคติเดือนสิบสองเพนนี่อครบสบสอง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 นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่ใช่อบตก็เรียกสุขาบุญเทศบาลเนาะโอ้เทศบาลอําเภอนายุงตําบลนายุงเนาะเทศบาลตําบลนายุงตะก่อนมันเป็นอบตเนาะยกระดับขึ้นมาเป็นเทศบาลเทศบาลตําบลนายุงต่อก็มีนายกมาด้วยวันนี้ ทีมงานทั้งหมดมีอยู่สิบสี่สิบสี่หรือสิบห้าทีมงานเขารอทั้งหมดมีเท่าไหร่สิบหกคนเหร อ, อทีมงานสิบหกคนบัรวนเมืองกนอนนะมีอีกทีมงานหนึ่งเข้ามาหาหลวงพ่อตำบลเดียวกันเหมือนกันนะแต่คราวนี้ตำบลตาบล น, นายุงนายุกอีกเหมือนกันเทศบาลนายุงอีกเหมือนกัน แต่แตอนี้หลวงพ่อก็ให้พรว่าให้ทุกคนชนะเลยและเอาอย่างไงแต่เนียให้ทุกคนเป็นผู้ชนะนะใ ห, ให้เข้มแข็งนะให้ชนะอพวกมาก่อนก็ให้ชนะพวกมาทีหลังก็ให้ชนะท่นี้พอชนะน่ยสักสองทีมันชนะเลยจะทําไงเยจะมีที่นั่งหรือเปล่า น, ะนี่แหละแต่ถึงยังไง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 เป็นยังไงเรื่องความเป็นมาเรื่องนี้พระเจ้าขาดพระพุทองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้ามีพระเจ้าไอแผ่นดินจําชื่ออยากๆสักหน่อยนะท่านอวดดีว่างนานเถอะพูดง่ายๆมีอวดดีแค่ว่าข่าในี่ใหญ่ที่สุดละในพื้นปฐพีในขณะนี้ทั้งพลทหารทั้งพลรบ ทั้งประสบในกรความอุรมสมบูรณ์ข้าไม่แพ้ไข่แต่เขาก็มี ล, ลูกสาวมีลูกสาวอยู่สี่คนมีลูกสาวสี่คนต่นี้ก็ใส่ราชรถขึ้นไปมีม้ามีม้าเทียมด้วยเทียมรถไปตามหัวเมืองต่างๆ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 ในาราชรถพร้อมกับพลทหารกลุ่มใหญ่ไปแล้วก็ส่งไปส่งไปเมืองไหนเขาก็กลัวหมดเพราะว่ า, าก็กิติศัพที่ประเทศเนี่ยจะจะจัดการกับเขาอยู่แล้วเขาก็ส่งเครื่องบรัญรการบรรณาการให้กรลีบส่งออกจากนอกเมืองไปส่งไปเพราะนี้ไปถึงเมืองน้อยเมืองหนึ่ง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 มีลขะนะมีลขะนะส่งมาเนะี่ยทางพระเจ้าแผ่นดินเ่ยก็โอ้เราจะสู้เขาไว้วเหรออประเทศของเราหน่อยเดียวเองนะ่ะเราจะสู้เขาไว้หรือไม่ไหวก็ต้องไหวเหม น, น, นเอาไม้เหมือนกันทางพระเจ้าแผ่นดินก็อยากจะได้อคคมิเหสีอยู่แล้วใช่ไหมโอ้เอาก็เอาแล้วงั้นถ้าถ้าหากว่า พวกสูรเจ้าเข้มแข็งที่จะเอาให้ได้เพราะงั้นเอ้าจากนั้นเอาหมาดนี่เลยก็จยึดเลยเพงัน้นเลยยึดราชรถขันนั้นเลยเอก็เลยมอบอลูกพระเจ้าแผ่นดินเมืองมิลขะเนี่ยให้กับพระเจ้าแผ่นดินของตัวเองทั้งสี่นางเลยทีนี้พอสี่นางทีนี้ก็พระเจ้าแผ่นดินนี่ก็ยึดเสร็จแล้วกัทาง พระเจ้าเมืองมิลขานั้นก็โอ้โหเหมือนกับเอาแสไปตีหา ง, งูจงอางเลยว่างั้นชูคอโถโหในพื้นแผ่นดินนี่จะมีใครต่อสู้กับเราอยู่หรอแนะน่งั้นยังไม่รู้เรื่องของเราลนะเลยเนี่ยเมืองเนี่ยเมืองเล็กๆขนาดนี้ค่าไกย่ำทีเดียวมันก็แตกแล้วงนะั้นทำไมมาหาเก่งข้าสามารถขนาดนี้ว่าอนะแต่นี้ก็พอท้งนี้ยึด นางทั้งสี่นางเสร็จแล้วจะที่กับอํามาศโพนิกกับประกาศอะไรยงนั้นเลยอ่ะเตรียมพร้อมนะพวกเรานะจะต้องซื้ศึกสงครามอย่างขนาดหนักนะอย่นั้นบอกประกาศให้ประเทศชาตินะอย่างนั้นใครใครอยู่ที่ไหนประตูบ้านเดือนของใครเตรียมพร้อมทุกอย่างอข้าวน้ําโภชนาะอาหารเก็บให้เป็นที่เป็นทางให้เสร็จเรียบร้อยต้องสุกต้องศึก ต้องสู้ก็ศึกแน่คาวแน่ว่างั้น เ, เพราะมันมันหาเรื่องใส่เขาเลยนะมาหาเรื่องใส่เขามันก็ต้องมีศึกเลยสิซักศึกเข้าบ้านมนะาพูดง่ายๆแต่นี้อํามาดพวกนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะนะพอเตรียมพร้อมเสร็จแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินดังนั้นกน็โอ้มันต้องมีเก่งนะมันต้องมีดีนะมันจึงยึดจึงยึดราชรถของลูกของเรานะมันจึงกล้าขนาดนี้มันต้องมีดี อถ้ามันไม่ไมเก่งไม่ดีมันก็คงจะไม่กล้าแล้วไอันนี้เขาก็อย่างเชิงอีกเหมือนกันเพราะมันมันกล้าแล้วเกิดเหมัอนกั น, กนประเทศเล็กๆเดินไปมีความสามารถถึงขนาดนั้นเนี่ยมันบ้าบ้องอยังไงเนี่ยเพราะมันประเทศของเจ้าของของอัคคะเมห์ศรีน่ยมันเป็นประเทศที่ใหญ่มากเลยพร้อมที่จะยกพลไปเหยียบเมื่อไหร่ก็ได้ไอันนี้เป็นประเทศเล็กๆนี เนีพรนนิสุก็เลยเนีทางนี้นก็ตั้งฐานทับขึ้นมาอีกเหมือนกันทางเมืองเล็กนึงก็ตั้งฐานทับอีกเหมือนกันทางนู้นก็ตั้งฐานทับอีกเหมือนกันเนี่พ้นิสุกก็ยกมาไปเชิญหน้ากันเลยนะอพอประเชิญหน้ากันเข้าไปทีเนี่ยทางพระเจ้าแผ่นดินทางเมืองมิละขนะเนี่ยก็เอ้มีลือสีตาไฟอยู่ในภูเขาเนะี่ย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 ในี้เกลือศีในก่พวกพระเจ้าแผ่นดินเมืองมิลขะก็เข้าไปก่อนเขาไปถามลือศีท่านฤือศีครับพวกผมจะสู้ศึกกับคราวนี้นะ่ะจะชนะไหมปราลือีก็บอกอแต่ยานทัตนะของเราเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถามถามผู้เหนือเก่าผู้เหนือเราก่อนนะต้องถามอีกรอบสองอีกก่อน พอรอบสองอีกแล้วเราจะราจเราจะให้คําตอบนะอีกสักสองวันให้มารับคำตอบทางพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยครับพอตกกลางคืนมาพระอินทร์ลงมาพระอินทร์ลงมามาเยี่ยมฤาษีเห็นไหมมาหาฤาษีตามปกติมาหาทุกทุกคืนวะพระอินทร์ก็เลยบอกว่าอฤาษีก็ถามว่าท่านพระอินทร์เนี่ยแหละพระเจ้าแผ่นดินมาถาม เมื่อวานในบอกว่าการสู้ศึกสงครามในคราวนี้เนะี่ยฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะพระอินทร์ก็บอกว่าอืมพวกฝ่ายพระเจ้ามิละขะเนี่ยนะเอต้องชนะแน่เพราะว่าเขาเป็นประเทศใหญ่อขุนพลอะไรเขาพร้อมหมดทุกอย่างอันนั้นเพียงแต่จี้เดียวหน่อยเดียวนะ่ะมันจะสู้คนใหญ่ได้ยังไงฝ่ายที่ต้องชนะ พอวันนุ่งขึ้นมาพระเจ้ามีรกษาเอเข้าไปถามถามฤาษีตาทิพต่ฤาษีตาทิพบอกว่าอืพอพระองค์ต้องชนะแน่เพราะว่าได้ถามเทวดาแล้วตอนนี้ก็โอ้ยสบายพวกเราเไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งหมดนอนไปก็ชนะเอนกันนะจะไปหากลัมมาทำไมประเทศเล็กๆขนาดนั้น มันละมากับมามากินเลี้ยงกันสนุกสนานเปิดเพลินเฮฮาไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยเหือางั้นลนะอพอเหตุไรเพราะว่ายังไงก็ต้อ ง, องชนะเพราอฤาษีตาทิพย์บอกแล้วเนี่ยแล้วก็ถามเทวดาอีกต่างหากเทวดาก็ยืนยันอีกสองพลังอะไรว่างั้นเลยทางฤาษีตาทิพย์ด้วยทั้งเทวดาด้วยยืนยันนะจากนั้นก็พวกนี้ก็ชลาใจเฉยต่นนี้พวกทาหาร เมืองเล็ ก, ลกๆน่งจะอเขาก็เข้าไปถามอีกเขาไปถามฤาษีตาทิพย์อีกเหมือนกันนง้นเน่เพราะเป็นที่เคารพของทั้งสองฝ่ายเท่านฤาษีครับพวกผมจะชนะไหมสู้ศึกคราวนี้ทางพระฤาษีก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถามเทวดาดูก่อนนะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นค่อยมามาหาอีกจากนั้นก็พวกนี้ก็คอย คอยเทวดาโบอกจะชนะทั้งสองข้างได้ยังไงใช่ไหมเมื่อวานบอกชนะแล้วฝ่ายนี้จะชนะอีกจะชนะได้ยังไงเทวดาโอ้แพ้พระราชาเนี่ยแพ้เพราะมันเป็นประเทศเล็กเสียเปรียกเขาทุกอย่างลังกอบผลพักก็น้อยอีกต่างหากอะไรก็น้อยทุกอย่างเพราะนั้นต้องแพ้แต่ใน พลุงขึ้นมาพกอำมาตย์ได้เกิดเข้าไปถามเรือศรีตาทิพย์อีกตาทิพย์ตาทิพย์โอกแพ้เทวดาบอกว่าแพ้แล้วแพ้เนี่ยมีอะไรเป็นสั ญ, ญลักษณ์ไหมการที่จะบอกแพ้เนี่ยเออในในขณะที่ อ, อกองพลต่อกองพลประชันประชิญหน้ากันเนี่ยกองทัพต่อกองทัพประชิญหน้ากันเนี่ย จะมีวัววัววิ่งออกนาถ้าว่าเป็นวัวขาวนะ่ยผู้นั้นจะเป็นฝ่ายชนะถ้าเป็นวัวดําอ่ะฝายนั้นเป็นฝ่ายแพ้ะตะคอยดูนะของพวกคุณจะเป็นวัวดําถ้าฝ่ายเขานะี่ยเป็นวัวขาวแต่ไม่มีใครเห็นนะนอกจากแม่ทัพใหญ่ท่านเองจึงจะเห็นวัวสองตัวชนกันแต่ลูกน้องบริวารไม่มีเห็นไม่มีใครเห็น เห็นแต่ในในแม่ทัพใหญ่เท่านั้นแหละเห็นวัวสองตัวชนกันในระหว่างมันจะสู้กันในระหว่างนั่นแหล ะ, ะแต่นี้ก็พออมมัดเมืองเล็กเนออกมากัถอยออกมาก็ตัวเองเป็นฝ่ายแพ้แล้วใช่ไหมออพอฤาษีตาทิพย์บอกแล้วเนี่ยออกมาแล้วก็รวบรวมทหารหารทางหลายแหล่เนี่ย อทหารหลานทั้งหลายแหละเป็นหลายพันคนน่พันสองพันคนะมาประเทศเล็กใช่ไหมละ่ะทหารเ อ, อพวกเราต้องเข้มแข็งนะเออจากนั้นก็เ อ, อทหารก็ยกเมือช่วยเข้มแข็งสู้อย่างสุดๆเอาหัวถวายพระราชาอย่างนั้นจากนั้นเรายังไม่เชื่อในพลทหารใหญ่นะไปขึ้นไปบนเขา่อ พอไปขึ้นไปบนเขามันมีหน้าผาชันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมหอ้าผาชันนานี้ก็เป็นลานหินกว้างทหารเตรียมพร้อมเอาถ้าว่าพวกเราพร้อมที่จะถวายหัวกับพระราชาให้พวกเธอทั้งหลายโดดเหวเดี๋ยวนี้ทั้งทั้งนายพลทหารทหารทั้งหลายและถือหอก วิ่งกูเข้าไปจะกระโดดเหวให้ดูเลยว่างั้นเถะแม้ความสามารถขนาดไหนอความแก่งขนาดไหนว่านนะถวายหัวต่อพระราชาเลยกระโดดเหวให้ดูเลยพอกระโดดใกล้ถึงเหวนะอมายดยศอเอาไว้ก่อนอันนี้เราบอกเพื่อเพียงความสามารถทัวเองถ้าาพวกท่านทั้งหลายต้องถวายหัวกับพระราชาถ้ามาโดดเหวอย่างนี้แปลว่าโดาโดแบบโง่ไม่ได้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 นอกจากเราท่านเองกับทางฝ่ายเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นวัวมาชนกันเนี่ยเราเองนะ่ยเราจะถือหอกลงจากหลังมา้าหลังช้างแนละ้ววิ่งไปฆ่าแทงลงตรงไหนให้สู้เจ้าแทงลงตรงนั้นนะเอะพอแทงเสร็จแล้วให้สู้เจ้าประกาศพร้อมกันกูชนะแล้วสิพูดอย่างนั้นนะของกันทาหารนายพลใหญ่ของกันบอกไพ่พลตำรวจท่านบอกทาหารของตัวเองของกัน พอนี่ทวก็เลยพอไปเชิญหน้ากันจริงๆเยเนี่ยพอนัดก็ไปกันทั้งช้างทางางั้งมา้าทาั้งหมดเอามาประชนกันเลยตอนนี้พอชนก็บวัวตอนนั้นนะวัวขาวกัวัวดํามันวิ่งออกหน้าจริงๆเลยอย่างดืสีบอกอั่างดืสีตาทิพย์บอกพอวิ่งออกไปตอ น, นี้ก็เอามาดใหญ่ที่นี่ก็โดดลงจากหลังช้างลงเนี่ยพอโดนหลังช้างเลยก็ใหคค้คนอื่นขี่ช้างแทน ก็เองก็ถือไอ้หอกอหอกสามง่ามนี่ยกันโดดก็ไปแทงไงไปแทงวัวขาวตัวนั้นอ่ะอพอแทงวัวขาวลูกลูกน้องเป็นพันใช่ไหมกูเข้าไปช่วย่ไอพอกูเขาไปช่วยก็ไปแทงตรงนั้นอ่ะแต่งที่ที่นายพลแทงไว้น่่ะแต่พวกนี้ไม่เห็นนะแต่ในพลเห็นว่างั้นอ่ะในพลใหญ่เห็นพอเห็นนี่คนเป็นพันตะโกนว่ะเน่ย เออเพราะตะโกนว่าโก้ชนะแล้วท่นั่นแหละพวกนั้นขวัญกำลังใจเสียหมดเลยถ้าได้พวกฝ่ายตรงข้ามนะเอ๊ะเขาฆ่าในพลตายหรือเปล่าทีนี้ไม่มีใครเห็นใครใช่ไหมล่ะมันตลบครอบทวนไปหมดเขาฆ่าเขาฆ่าขุาขาขนพนหลหรือเปล่าเนี่ยมาปวในโซ่เลยสายสางกับทางสร้างทางม้าเหยียบกันอีดึงตึงนางมาลังตังนึงแต่กระโจยไปหมด รีบเข้าไปในเมืองรีบปิดประตูอีกต่างหากโอ้อผลทนี่สุดพวกนี้ก็เลยเขนทั้งชุดโทโปรประกรสิ่งของอะไรอะไรต่อมีอะไรขนแบบไม่หวัดไม่ไหวแนี่ชนะเอางั้นเถอะพอชนะแต่นี้ท้งน้นก็ปิดประตูเมืองกลัวพวกนี้จะเข้าไปไล่เขาไปอีกเนี่ยทั้งช้างทั้งม้าทั้งคนตายเป็นบือไปเลยเนีย เ, เพราออำ ม, มาจเมืองเล็กหนึ่ชนะเหมือนกันทีนี้พระเจ้าพผ่นดินอยู่เมือง อ, อมีลค่า เ, อเอลยหรือสีเนี่ยโกหกเป็นอยู่หรือหรือสีตาทิพย์เนี่ยท่านเป็นผู้มีศินทแท้ทำไมว่าเราเป็นผู้ชนะทําไมจึงเป็นผู้แพ้ได้พอเงียบเงียบได้กันก็เลยยกพลไปอีกไปคล้ายกับว่าเอาผลทหาร นั้นเพ่อไปไปถามฤษีอีกท่านฤศีอยท่านทําไมโกหกพวกข้าพเจ้าว่าว่าข้าพเจ้าจะเป็นฝ่ายชนะทําไมถึงเป็นฝ่ายแพ้ได้เพราะเหตุอะไรท่านโกหกเป็นอยู่หรอือทางฤศีนี่นก็จ่อยเหมือนกันแล้วว่างั้นเอออาตมาเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงมหาบุพิตเดี๋ยวอาตมาจะถามเทวดาก่อนเทวดาม มาซะ ก, ก่อนเดี๋ยวอธมาจะถามดูเท ว, วดาจะมาคืนนี่นะ เ, เดี๋ยวจะถามดูพระอินทร์ดูเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะให้คําตอบรนะักแต่นี้ก็ตอนกลางคืนมาเท ว, วดาก็มาบ่าเนี้ยพระอินทร์มาครับฤาษีตาทิพยก็เลยถามอ่ะท่านเท ว, วดาพระท่านพระอินทร์เท ว, วดาที่ยังโกหกเป็นอยู่เหรอท่านว่าท่านว่าจะให้พระเจ้าพระเจ้ากะลิงขลาดนะ จะเป็นฝ่ายชนะนะพระเจ้าคลิงค่านะเป็นฝ่ายชนะนะแต่ทำไมเป็นฝ่ายแพ้เทวดาในโกหกเป็นโยหลนะือเล่าเทวดาบอกว่าพระอินบอกว่าเทวดาไม่มีการโกหกแต่ว่าเห็นไหมนะพระเจ้ า, ามิงคาละนะเป็นผู้ประมาทคนประมาทเหมือนคนตายแล้ว เหมือนกับหามคนตายไปสู้กับคนเป็นจะไปชนะเขาได้อย่างไรอพอตัวเองว่าตัวเองจะชนะดนนั้นไม่ได้เตรียมพร้อมมอาเลยเลยไม่ได้เตรียมพร้อมมาได้ไข่คููประตูหรอรบพล่ล้หงทหารอะไรไม่ได้เตรียมพร้อมเลยมีแต่คิดว่าจะชนะอย่างเดียวมันชนะได้อย่างไงคนทั้งหลายปลาดทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้ ไอ้ช่วยที่คนประมาทแล้วนะคนที่จะช่วยได้คือคือคนช่วยที่ว่าต้องเป็นผู้เข้มแข็งมันจึงจะชนะได้แต่ถ้าว่าคนที่ประมาทแล้วจะชนะเขาได้อย่างไรเทวดาก็ช่วยไม่ได้เอาเถอะอย่างคนคนเราเนี่ยคนนี้แหละโอ้โพหพกโหนทํานายทายทักว่าจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าว่า เขาเป็นผู้อ่อนแอเขาไม่สู้คนนั้นจะเป็นผู้ชนะไม่ได้แต่ถ้าถึงใจะใครก็ตามว่าคนนี้เป็นพลแพ้แต่เขาเป็นผู้เข้มแข็งเป็นผู้ทรหดอดทนสู้คนคนนั้น เ, เทวดามไม่สามารถที่จะทำนายทายทักเขาได้ว่าจะเป็นผู้แพ้จะ เ, เขาจะต้องเป็นผู้ชนะถ้าเขาเป็นผู้เข้มแข็ ง, งนี่นะ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 แต่ใจชนะทั้งสองฝ่ายมันคงเป็นไปไม่ได้ทั้งเมืองคลรินคาก็ชนะทั้งเมืองเล็กก็ชนะมันคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ไมนต้องฝ่ายหนึ่งแพ้ก็ต้องฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นฝ่ายชนะนะเป็นของธรรมดาโลกเนะี่ยชนะกับแพ้มังอยู่คนละคนละข้างกันฮนะเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายนะที่มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายทั้งทุกหมู่ทุกเหล่าให้เป็นผู้เข้มแข็ง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 เราก็ต้องทึงนึกถึงย้อนบา ร, รมีของเราดิเออเราคงจะไม่เคยเป็น อ, อสร้างสมบา ร, รมีมาเม้งในอดีตชาตออิแต่ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะฝึกเป็นหัวหน้าคนะเวลาไปที่ไหนก็เอาชักชวนคนทําบุญทํำทานเป็นหัวหน้าคนเออเ อ, อ้าทํานั้นทํำนีออ้ถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้ามก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นหัวหน้าคนได้ได้ลย ถ้าเราไม่เคยเป็นหัวหน้าคนเฉลยไม่ได้การเป็นหัวหน้าไม่ใช่ธรรมดาเลยเพรานะการเป็นหัวหน้าคนมันต้องฝึกต้องมีบุญบา ร, รมีพอสมควรบุญหนักสักใหญ่พอสมควรเลเพราะนั้นเขาเนี่ยเราจะเป็นหัวหน้าเขาเนี่ย เ, เราก็สั่งสมบา ร, รมีไปถ้าเราไม่ได้ก็จะแสดงว่าเออเราคงไม่มีบา ร, รมีมั้งต้องคิดอย่างนั้นนะเอาต่อนนี้ไปรับผอในตอนะนี้โอ้หลวงพ่อพูด ชาดกให้ฟังเจยยืดยาวเลยวันนี้นะ